ถูกหลานจัทถายาตโยมเมื่อวานอากาศฮ้อนในี่ลงพอบลงพอบเป็นฮ่อนกว่าปกติอยู่หมื่บ้านเลยพ่อตอนใบาบายมาโอ้มันใหม่เงี้ยฮ่อนฮ้อนแบบใหม่ใหม่วันโน้บ่ามเมนตฮ่อนแบบแบบเพื่อออกวันโน้บ่ายฮ่อนแบบแหมๆ ม, มันโมเมนต์ฮ่อนแบบเพื่อแตกเพื่ อ, อไหล มันห้อนห้อนแบบอบทางนอกก็แห็งเข้าไปเลยห้อนแบบวาบวาบนะ่ะเตะเห็ดยังไรล่ะเอาอยู่ในไตฟ้าัำห้อนแห้งไรกันนนะ่ล่ะลงหมดหนามหวยล่างนะ่ะถ้าไขรร้อนมากกันกระโดดลงน้ำหวยลางนะ่ะลงไปแช่อยางนั่นแหละไปอยู่ให้ตัวเองตายไม่ได้นะบางคาา้อถึงมาให้ หนาวก็หนาวจนจะคลองตายฮ้อนก็ฮ้อนจนจะคลองตายโอ้ยกันตายยอ้อนฮ้อนย้อนหนาวเนี่มันต้องหาวิธีแก่นว้นเสียแต่ตายพอโรคไผ่ไข่เจ็บเอออันนั้นหรือว่ามีโรคประจำกายตายไปเอออันนั้นอีกแนวหนึ่งแต่เพียงลําพังฮ่อนกับหนาวตายเนี่ยว่มันน่าจะแก่มีที่วิธีแก่ไขข้ามันฮ่อนมา ก, กนะลงไปหมดน้ำ น้ำเขาก็มีอยู่ก็ว่าน้ำเดือดพ่านผ่านขึ้ น, นาต้ต้มพักต้มแกงเอออะไรก็ยังพ่อสีหมกบะมี่ชักสีลบไปใส่อันนี้น้ำ ม, มันยังเย็นอยู่หนึ่งไปหายานโดดต้องไปในน้ำแช่น้ำไปสองสามชั่วโมงมึงก็แดดมืดนะมันก็เย็นฮนะหนาวเือกันหนาวค่ะค่ะยังให้ยังไงนี่แ่ะเขาก็เตรียมคอน เตรียมใหม่เตรียมขอนไว้จุดไฟแล้วก็เผานะ่ะเผานาเผาหลังเขาเอ้าอยู่ทังกลางแล้วก็ไล่ความหนาวหนีมัดมันเอาชนะได้หนาวเมืองไทยมพรมันหนาวเมืองนอกถ้าหนาวเมืองนอกอนากิจอยู่ขึ้นกันเอาว่ามันติดหลบยี่สิบสามสิบสี่สิบองศาฟังฟ่งฟัง่งมันแล้วก็นหนากลัวขึ้นกันนลวก็หนาวขนาดนั้น แต่ขนาดเท่าเพียงลงเพียงสองสามองศาเท่านั้นแหะก็ย่งมีอเออเนอะิญแมคันนิ่งเป็นไข่ายก็บ่ามันเป็นซาซาซาซานําแข็งไะเนี่ยขาวๆติดอยู่ในยอดหยาเนี่ยหลวงพ่อเคยเห็นเลยเด้ทางอีสานเท่านี้แหละหลวงพ่อเคยเห็นแล้วขาวจักผ้ารอดไปม่นไม่หยังยังขาวผิดปกติอยู่เช่นผ้าพันจักเก็นรอดไป ยางลุไปจับท่างลงไปนี่พงหน้ามาะธาไปจับปุ๊บโอ้หน้าแข็งหน้าแข็งน้ําแข็งน้ําแข็งติดยอดหยาเอาสิ่งนี้เออมันก็แข็งอิเล่แล้ววะมันแข็งปบแปะปบแปะเลยขาวจากภาคเลื่องอืมอันนั้นปีนั้นมันลุกถึงสามองศาสามองศาเสี้นเสี้ยนมันพอท่านลบศูนย์ทำไดยังพอท่านถึงศูนย์ได้รับมันถึงศูนยิขนาดใดกันไปอันนี้ถึงสามเท่านั้น ก็เห็นและ ว, วันหนาวคักอันนี้หลวงพ่อเคยเห็นแต่หอดสามนะแถวแถวเฮ้าเนี่ยแต่ขนาดนั่นกันรู้สึกโอ้เหลืออดเลยยางไปใส่แ่เจ็บมัดเย็บก้อนหินนิน่อยกับพวกปันทอหัวปุ่มมือมันเดิมยางไปใส่มันเจ็บตี น, น, นได้เหรอปะเจ็บเท่าอันนี้คือหนาวก็ววห่อนี่ห่อนคักคเนี่ยอย่างบ่ท่านเคยมีว่ะบ่ท่านเคยเห็น มิถุนห้อนธรรมดาอย่างที่เหมือนว่านหรือว่าบางปีมันก็ห้อนห้อนเนี่ก็เบิงเบงล่ะรับมันหายใจฝืดเนยบเบงเบงล่ะก็มันห่อนคลักคลันี่คลายคลายว่าหายใจเขามันเอาข้าบอนเขาไปนั่งเอาความรลอนเขาไปเขาไปในดัง่งเขาไปในปอดหายใจเขาไปมันห่อนคล้ายๆเข้าอยู่ในองค์ยางสัตวะเตาอบยังสัตวเขาอยู่ใ น, ออ น, ตออนเตา อ, ตอบ หายใจเขา่ามันก็เขาน้าหายใจออกหายใจเข่าก็ทูเข้าไปอันนั้นแปลว่าโอ้ห่อนก็เพียงแค่นั้นกับว่าถึงขนาดว่าถึงการลำบากแต่ว่าประเทศอินเดียนี่ตายเด้แถวตะ ว, วันออกกลางอินเดียนี่ตายเวลาเข้าไปในบ้านก็ต้องมีประตูปิดปิดปูให้อากาศเขา่านี่แนละ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 ตอนนี้ยังเป็นหนึ่งสี่เนี่ยเฮาอยู่ในเมืองไทยเด้บาดฮาไปอยู่ในเมืองนอกเขาบอกว่าขั้นห่อนเนี่เปิดหน้าต่างเนี่ยความห่อนมันเข่ามาเด้เข่ามาามตามหน้าต่างเข่ามาตามประตูะหายใจบอ่ออกเลยมันห้อนหลายๆเพราะนั้นต้องปิดต้องปิดประตูปิดหน้าต่างไปถึงจะห้อนจังไงก็ห้อนอยู่แล้วก็ยังพ่อทอนไหวห้อนอยู่ในห้องแตความห่อนมันบ่ความห่อน แผดเผาทางนอกบวชเข่าไปถึงจะหอนทางในเลยคือหอนแบ บ, out, บอบเอาว่วมเป็นหอนแบบเปลวไฟเข้าไปข้านานบะว่าเขาเปิดหน้าตาเหนะมันเป็นหอนแบบเปลยวไฟเข้าไปสู้ ร, รูดเข้าไปเนะ่ะเปียวไฟเข้าไปหาเห่าทางในนี่แหละอันนี้ก็คือพวินไนในขังพุทธกาลแต่หลวงพ่อเขามาแปลกใจอีกแนวนึงอีกขึ้นกันเออ พระสงฆ์อยู่ในมัชชิมะประเทศประเทศอินเดียประเทศกลางแห่งประเทศอินเดีย15วันอาบน้ําไดห้หนึ่งถ้าไม่ถึง15วันอาบน้ําต้องปาจิตีเนี่ยโอ้ขนาดห้อนขนาดนันทิเหตยังไงบุให้อาบน้ำเรียกวันเว้นเสียต่อาพาธก็ะเพิ่นกระเปิดช่องอยู่ได้ว่าเว้นเสียต่อาพาธ เขามันห้อนหลายก็อาพาธแต่เป็นบ่อไะลเ <c oughs> ขามันห่อนหลายก็อาพาธอาบรน้ามตลอดบบนะมันอาพาธเลยป่ปวยมันออนไปมันห่อนคือกันขับหนาวนะ่ะภิกษุจุดเองก็ดีให้ผู้อื่นจุดก็ดีซึ่งไฟเพื่อจะผิงต้องปลาเจ็ดตีเว้นเสียแต่อาพาธนะให้ผู้อื่นจุดก็ดีเจ้าของจุดเองก็ดีให้ผู้อื่นจุดก็ดี มไฟเพื่อจะผิงผิงกันหนาวเนี่ยมันเอาต้องป่าจิตติเว้นเสียตาอาพาธเออบาราพระพันก็บอกโอ้ยมันหนาวมันจะตายมันอาพาธก็คักนะเกินคนเนี้ยมันก็ต่ายอาพาธนะเอาจุดไฟฟิงเน่ย <c oughs> นี่แหละตาไม่จริงวินัยไม่ช่องเลยพันก็เปิดช่องคือกันกดหมายนะกดหมายนะะี่เลยไม่ช่องไม่ช่องออกพระวินัยของพระพุทธเจ้าเหมือ มีช่องออกขึ้นกันแต่ห้างพ่เปิดหลายศินและวินยัยกฎหมายคือกันนั่นอันนั้นก็คือกฎการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ที่ทว่าหอยฟังธรรมวัฒน์คือศินของพระเองอันนั้นคือสินของพระแล้นะศินก็คือกฎระเบียบบ่าม่แนวอื่นคือกฎหมายนะประเทศชาติบันเมื่อเขาอยู่ด้วยระบบกฎหมายพระสงฆ์ทั้งหลาย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 การนำวินัยอีกนอกจากหันเป็นว่าศิลและวินัยศิลอภิสมาจาร์นอภิสมาจา ร, า ร, จาร์คือศ่าินนอกพระปฏิโมกมันอีกแนวหนึ่งอีกเลยนี่ยสินนอกพระปฏิโมกก็ต้องรักษาขึ้กันสรุปแล้วก็คือศิลนี้มีหลายหลายลอยหลา ย, ลา ย, ลายพันเลยพวกข้าวจะไปวัดพระมีศิน2องรยยี่สโมเมนเลยขั้นนับอภิสมาจาร์เข้าไปแล้วมากไมก่แต่ว่าศินในพระปฏิโมกเนี่ย2อยยี ขีสวดทุกสิบหามือ่อจากอุปโธจัตถ์ากาลนาโตปุเปนอมวิทังอันนี้คือศินมากในพระปฏิโมกข์สองอยยข้อสวดทุกสิบขึ้นสิบาําแล้วสิบหาคำกลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนปีนึงเดือนหนึ่งสวดสองครั้งนะครัสวดพระปฏิโมกแต่ศินนอกนั่นแหละมีมากไม่ให้อานให้ลูกคือกดกติกา อันนี้คือศีล น, นอกพระปฏิโมกข์จนพระในขังพระพุทธเจ้าเนี่ยเอื้อมละอาบนะ่ะล่าญาณวันไปบวชเขามาก่อนบวชพระพุทธเจ้าเพิ่นบหชสอนได้บวชสอนวินัยก่อนบวชที่เป็นหนากให้เพิ่นบวชสอนวินัยได้เมื่อเป็นนากเนี่ยสอนแต่ลักธรรมขอปฏิบัติจงังไดทําตนจงนังให้ปฏิบัติภาวนาจังใดแล้วก็ทอง ข่ำขอเอสาหังขอบวชนะบอ้สอนวินยัยขั้นภิกษุใดสอนวินัยแกอนุปสัมบัติยังพรท่านในบวชปั๊บอบัตรทุกข์ก็ดีเป็นยังไงยังเป็นยังสัน้นพ่อน้าเก่ามาเนี่ยกำลังขี่เสาะยังไงเป็นบวดอะ่ะกาลังคือถอดบ้านอยู่แล้วอันนั่นก็พิษอันนี้ก็พิษอันนั่นก็พิษอันนี้นก็พิษว่นนี้นนไปขั้อาจารย์สอนวินัยเด็กกินเขาแร้งเขาบวาไรนะ เออเฮ็ดอยัางตรงประเขีนจกักรอย่างนี่แหละเอี่สอนว่าในพวกนากตีเข่ามากมากเกิคืดทอดบ้านเยอะเลยขี่เสาะอยู่แล้วม่นว่ลเอาไปมากเกิดว่าผมบวบปวดออกครับเออผมปวดเฮ็ดปฏิบัติบัวใดดอกแข่งคัดเกินไปเออเอาไปมากเลยหาผู้บวชบัวใดทั้งที่นิสัยหมักผลนิพัานมีอยู่แต่ว่าพระพีเรียงสอนกฎระเบียบก่อน บ่ได้ศึกษาให้ทีถวนแต่ว่าขั้นบวชเขามาแล้วสอนวินัยจากนั้นล่องเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วก็พาอวะหน้าพร้อมแล้วสอนวินัยพร้อมมันจะไปด้วยกันได้เพราะว่าจิตใจหมันคงขึ้นว่าแล้วได้เรื่องวินัยบ่มีปัญหาป่านไนีอมันอยู่ในใจทั้งมดัดมันโมเมนต์ยืนมองอื่นคั้นหอบบวชเหตุจารกรมันจะไปเหตุซัวได้ยังไหงเห็นบวชคนตายหคนนอ่นรับเลย ขันเ่าบอกคืดเจก่อนมันกเ็เฮ็ดอย่างว่าไรอันนี้ห่าวคืดห่าก็คืดในดีสิอย่าไปทำสิมันคืดดีแล้วอย่าไปใ ห, เห้เฮ็ดน้ำมันบดีอย่าไปพูดใ น, นสิ่งที่มันบริอที่มันถูกมันออกไปจากใจเพื่อนพระพุทธเจ้าเพิ่งยังบ่เห็สอนวินัยให้แก่พระผู้ที่เป็นนาติจะมาบวชเปิดพระท่านบ่เฮ็ดสอนกฎระเบียบเออให้มาบวชเจ้าก่อนเยพอมาบวชแล้วบ้านยียังค่อยสอนวินัยอาจารย์ก็สอนละอนุศาสต์แปดอย่าง คิดที่ขวายางที่บกวนทําสอยางนิสัยสี่อกรณยกิจสนิสัยคือกิดที่ควรทําอกรณิยกิจกิดที่บควนถ้ำมีอยู่ยางแต่นะอย่านะไปเฮ็ดสียางนีหามเฮ็ดหามเฮ็ดคือโทษประหารโทษประหารพระนะสียางนีคือเป็นเครื่องดาเนินชีวิตประจำบ้านของพระไปปฏิบัติตังสี่สียางะพนก็สอนะบ่สอนวิในัยให้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 แต่ฟังท่ามค้าสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเกิดเขารบนับถือเอออยากจะได้บุญเปิดแนะนำสั่งสอนตัวเองก็ปฏิบัติไปน้ำพอมก็เชื่อมั่นในท่ามค้าสอนของพระพุทธเจ้าย่างลึกซึ้งนะัต่อมากก็เออให้ท่านผมรักษาศีลหาผ่อกระถามพระออครูบาอาจารย์ขน่อยสิเหตุอย่างไรถึงจะได้บุญหลายกว่าเนีย เออรักษาสินแปดรักษาศินแปดตามกานะเนอร์ใ้ท่านในการักษาสินหาเมื่อรักษาสินหารักษาสินแปดทุกวันอุโบสถทุกวันพระนะเนอร์เป็นการคัดเกลากิเลสในจิตในใจครับโดยการรักษาสินแปดทุกวันพระเพราะนั่นเกิ ด, ก ด, กดชัฏท่าขืนย่างแรงกาอีกก็ขอน้อยสิเคส จ, จึงในสิ่งใดบุญหลายกว่านี้ คนว่านอกจากนี่ก็เป็นบวชทันแล้วบาทเนี่ยเสนอรักษาศินสองรอยยี่สิบเจ็ดลยเอาใหญ่ใโนดบาทเนี่ยเสนะเอามันได้บุญกุศลอย่างมากเลยวนนี้คนก็มีศรัทธาอยู่แล้วเอาบวชก็บวชนปพ่อบวชบาทพ่อบวชแล้วบาทอาจารย์ก็สอนอาจารย์ถ้ำพระอุปชากสอนกรรมฐานหาให้บาทนี่เกษาโลมาณฆาทันตาตาโจ ให้เจ้าพิจารณาจังสีจังสีจังสีเนอรเมื่อบวชเขามาแล้วให้ตัดกิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตในใจออกนะเนอร์กับฟังกัเข้าใจให้ปฏิบัติจังสี่ให้ภาวนาจังสี่คำนั้นร่มหายใจจังสี่มก็สอนวิธีการปฏิบัติขะพ่อใจมันไปเออได้ปฏิบัติได้บาตรทาไปหาอาจารย์สอนวินบยบัรตรเพร่ะต้องสอนวินัยเนเออ บา่าเนยก็ไปหาอาจานสอนไว้ได้จานไว้ไดยก็บสอนล่ะอืมเมื่อเจ้าบวชเขามาแล้วเจ้าต้องอยู่ี่ศินเนะ่ต้องอยู่ในวินัยนะเนออะกิจที่ควรทำยังสี่กิจที่บวกควรทํำยังสี่ยังวันอนุสาตแปดอย่า ง, านะ น, าางนิสัยสี่ากัลณียกิจสีปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสัยมีสี่อย่างเรียกว่ากรณีอกัลณียกิจที่ควรทํามีอยู่สี่อย่าง าการแลนิยกิจมีมีสี่อย่างกิจที่ไม่ควรทําอธิบายละเอียดให้ฟังล่ะบานเนีออกจากนั้นอธิบายเรื่องสินเล็กสินหน่อยก็ไปบาทโอ้ตะแต่ตตตผมเพ็บุบ่ได้หรอกก็จะเนี่ผมคุ้นหยาบหยาบจังจริงโยกเมื่อวายอายการผมจิล่าซึกมือดีล่ะครับคนว่าผมจิล่าซึกมือดีละ่ะเป็นอย่างหละัะโอ้ยผมปฏิบัตรบริบ่ได้แต่แรกผมก็จากได้บุญ ก็คิดว่าปฏิบัติได้แต่พ่อพอมาบ่าวเรื่องพ่ะวินัยเข้าไปนอโอ้ยพอปันจุงเขาลักหนีบบาทเนียวจะนี่ยกระทุกกระดิกโบได้เล่ยบาทเนียวนี่ย อ, นน อ, นน อ, นนอันนั่นก็พิษอันนั่นก็พิษอันนั่นถ้ำวไรอันนี้ท้ำวไรข้าท้าเอผมหลงผมลืมล่ะเห็ดยังไดเอี่มันก็เป็นบาปละเนี่ยพิษวินยัยพิษศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเฮ็ดบได้ขันติละเอียดทีถวนปันหนี่วะน ผมขอล่าชิกเลยครับผมจะไปเป็นฆราวาสทำมาหาเลี่ยงชีพทำมาหากินนะรัรักษาศีลพวนาอย่างที่ผมเคยเหตุนะมีความสุขใจอันนี้ผมกินว่าอยากได้บุญมากผมก็เลยอยากเข้ามาบวชแต่พ่อเข้ามาบวชผมเหตุบดได้จังซีว่าเนี่ยผมยอมแล้วลว่านพระทั้งหลายก็งงแล้วบานเนี่ยคันนว่ามีผู้เบาจังซีหลายๆคนในเหตุจังไหน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 เพราะนั้นเขาถอยเนี่ยเขาพยอมยใจเขาพยสูเ น, ยเนเนี่ยเจ้าจังไดเนี่ยจากนั้นก็กนํามพระองค์นั้นแหละพระบวชใหม่น่นไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่งกระถามว่าเรื่องอะไรพระสงฆ์กราบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยพระใหม่นี่แต่กรเขาเป็นคารวะหญาติโยมเขามีศรัทธาเข้ารบนับถือเดือมใสในพระพุทธศาสนาพระธรรมขัาสอนของพระพุทธเจ้า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 สอนวีไนบ้านี่คือกฎระเบียบในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ตอนนี้เขารับบ่อใ้เขาอยากบอกว่าเขากลัวพิษวีไน่กลัวบาปเขาเลยอยากสึกพระเจ้าข่าไนงะ พ, พระุทธองก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรพระใหม่อยู่จันเธอคิดยังไงโอ้ยข่าพระองค์อยากได้บุญหลายทีแรกเลยครูบาอาจารย์แนะนำกับปฏิบัติตาม พ่อขาม้าบวชเลือพราะจะได้บุญมากพ่อเขอม้าบวชเอเอพอวินัยบีบจนหาทั้งขยับขยื่นบ่อไรขาพระองค์ปฏิบัติบ่อไรปฏิบัติอย่างพระอาจารย์สอนวินัยเนี่ยกระผมจะขอไปเป็นฆราวาสทำอยู่ทำกินเลี้ยงชีพของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมน่าจะเพียงพ่อสำหรับขาพระองค์ในขาพระองค์มาปฏิบัติอย่าง ที่พระอาจารย์สอนนี่คือที่บวไรเพราระว่าพิณให้เข็งขัดเหลือเกินอันไหนก็อันนั้นก็พิดอันนี้ก็พิดอันนั้นก็พิษอั น, น, น, อ น, น, น, อ น, นั้นก็พิษมิเทนแลวพิษทั้งหมดมันหลายมันหลายขอคาบองค์พระเจ้สิเฮียนจังไดรอีกความจํากระบอยดีอีกความเฉลียวฉลาดก็บอกพออีกพระพุทธเจ้าเป็นบอกพระไม่ เธอว่ามันมากมันหลายใช่ไหมพระเจ้าข่ามันหลายขั้นรักษาอันเดียวใดบ่รักษาอันเดียวไม่ต้องรักษาหลายอันเดียวน่ะได้บ่ได้ก็แสดงในขั้นให้ข้าพระองค์รักษาอันเดียวน่ะคอเดียวอันเดียวน่ะสิยากปัญไอข้าพระองค์จะรักษาใดก็แสดงในเพราะอันเดียวมันพอยากก็แสดงในขั้นหลายองค์หลายสิทธาบดึงสิจักจิสิทธาบดได้เดียวก็แสดงในข้าพระองค์รักษาบ่ได้มันหลายโพด รักษาอันเดียวนี่ยซึ่งจะยากกวันนี้ขาพองค์กรเจี๊ยรักษาใดเออเอาเธอมาต้องรักษาหลายนะรักษาอันเดียวเท่านั้นแหะคือรักษาใจนะตัวนี้ต่อไปมาต้องรักษาดอกฟีนัยมาต้องรักษาศิน227ศี่สิบเจนพิสมาจาตรจานสินพระปฏิโมกมาต้องรักษาให้เบิ้งใจของเจ้าของแต่ละมืนะ่นแต่ละวันยาไปคิดในสร้างที่บ้นบอดี ให้คิดเป็นในทางที่ถูกต้องคิดเป็นสัมมาทิฏฐิอย่าไปคิดเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปคิดร่างแก้ผู้อื่นอย่าไปคิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอะอย่าไปคิดอีกสิ่งที่มันบอดีคิดในสิ่งที่ดีเนีสรุปแล้วก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอย่าให้เผลอการจะยิบการจะทําการจะพูดยังก็ตามให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดนีการเปน คำแนะนำคูบาจารย์หลวงปูหมันเพินก็ว่าให้ภาวนาพุทโธให้มีพุทโธอยู่ตลอดเลยรักษาอังสันน่ะแต่ในพระพุทธเจ้าเพิลเปิลก็บริว่าให้บริกรรมซื่อของเพิวมาแต่เพินแต่ให้มีวัาสติให้มีสติอยู่กับตัวเองให้เบื้องใจรักษาใจของเจ้าของแนี่ยไหนมันคิดอย่าไปให้มันคิดออกนอกหลู่นอกข้างอย่าไปให้คิดหาอยู่หากินอย่าไปคิดไปหาเที่ยวหาเตรอย่าไปหาคิดออกนอกหลู่นอกข้างให้เบื้องใจของเจ้าของให้มีสติอยู่กับใจของเจ้าของ ว่าเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระเลาเป็นพร ะ, เ ร, เ, พระเราเป็นพระเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดในสังเชียงที่มั่นโบดีอย่าเหอย่าพูดยาทํำนี่อพราคิดตีแหละมันกับมันที่ออกไปทางใดมาดบ้านนี่ได้ไหมรักษาอันเดียวได้ครับเชิญเนี่ยเออไปรักษาอันเดียวเด้อครับผมพระไมโยออเนี่ยก็ อ, ออกมาจากเพลิงเบิ้งเจ้าของแล้วเบิ้งใจก็เจ้าของบ้านนี่ ว่าได้รักษาของอื่นนะเบิ้งรักษาใจอย่างเดียวบอน้า น, นี้ผ่านเยเบิ้งใจเนี่ยเนบอละใจเบิ้งก็คือเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจน่ยใจเป็นไงใจเป็นหัวหนาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งมัดผ่านเนี่ยอีกบอหนานเพนก็เลยสําเร็จเป็นพระอรหรันต์เพราะเพิ่นรักษาใจของเพิ่นเนี่ยชำระใจของเพิน่นใจของเพิ่นรุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้เป็นพระอรหันต์นี่แหะ พระโพธิเจ้าเนี่ฉลาดอิหลี่คนไปฉลาดในการสอน <c oughs> พวกเขาคิดปังโนก็แมนเทานี่ยมดคว่ำคืนดีเด้ก็เมนลูกนอกจากซื้อกองเฮ็ดยังไดรล่ะเนี่ยพระวินัยเป็นงสี่ซื้อคือซื้ อ, อทอนแล้วเนี่ยเทากันรักษาวินัยขึ้กันเจ้ากันรักษาวินัยเจ้าทีออกนอกลูดนอกทางบ่รักษาวินัยกี่เฮ็ดยังไงฮะไอ้ที่พระโพธิเจ้าบอกว่าเออบ่ต้องรักษาเนี่ยมันยากนะอรักษาอันเดียวก็พาะรักษาใจเท่า น, นั้นละภาวะนะกันรักษาใจอย่างเดียวนะ พลคนลยกจะเป็นพระอรหันนี่แหละสรุปแล้วก็คือศีลเลวินไนเนี่ยห้ามว่าต้องคิดหลายห้ามว่าต้องรักษาห้ามว่าต้องนักใจให้เบิงใจของเจ้าของเท่า น, นั้นแหะสิ่งที่มันวัตถุยาย่าท่อยาย า, ยาพูดหอดไปเนี่มันใจมันใจของห้ามมีท่ำเนี่ยเป็นทัน้งสั้นอะเนี่ยโบราณพระไม้ทั้งหลายเนอะรักษาศีลโมทเปนรักษา몽องอื่นในีรักษาใจนักใจของเฮ้า มีเหตุมีผลใจของเฮาอยู่ในถ้าแล้วนั่นแหละต่มเย็ยนเป็นชุกนะ่ะเข้า่าใจของเฮาคิดออกนอกหลูกนอกท่างแตลิดเปิดเปิงไปแล้วนั่นแหละพ่อปานหมาบาดพ่อปานมาบา่ยังว่านะ่ะจะมันไสไปใสจะเมันไสไปไสเอีเห็นห น, า, นามโจดลงหนามเออคืนบกขึ้แล่ น, นตกซอกตกซอกตกซอกทุกข์เอทุกข์เวล่ำเวลาเออโบ ยุดประจักษ์ยับอย่างนะเพราปันมาบ่ายผู้เข้าคือเคยเห็นมั่งมาบ่ายสมัยก่อนตะคู่มืงินยังมาเนาะวะแต่สมัยลงพอนเห็นเน่ยมาบ่านมันแล่นอยู่ตลอดเมันบวอยู่นาะไปเพราะใจมันบวอยู่กับเจ้าของเลยอันเองเช่นกันไปย่ำเบื้องใจของเจ้าของนะให้มันอยู่ให้มันนิ่งอันอยู่นิ่งนั่นแหะเป็นถ้ำเป็นวินงไห่ะบ้านอันที่ใจคิดพอกวอกพอกเนั่นเป็นว่ากิเลสกิเลสผ้าน่ำหนําแล่นกิเลสผ้าไปะ หลับพรในแตนี่ยนนอนุโมทนาให้พ่อ